ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่36คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้โดยสันติ น, นันหรือพระปาโมดปาโมดโชในปัจจุบันถามผู้ปฏิบัติควรเรียนรู้อภิธรรมหรือไม่เพื่ออะไรผมเห็นด้วยว่าผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อภิธรรมเพราะการเรียนอภิธรรมก็คือการเรียนรู้ความจริงหรือธรรมชาติของชีวิต ก็แล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะไม่เรียนรู้ความจริงของชีวิตนั่นไม่ใช่สิ่งที่นักปฏิบัติพยายามที่จะเรียนรู้กันอยู่หรือส่วนวิธีการเรียนรู้นั้นจาเป็นต้องรู้ทั้งด้านปริยัตและปฏิบัติที่ต้องรู้ปริยัตซึ่งอาจจะเรียนจากอาจารย์ตำราหรือเทพก็เพราะเรายังตรัสรู้เองไม่ได้ส่วนที่ต้องเรียนจากการปฏิบัติเพราะความรู้จากตาราแก้ทุกข์ไม่ได้ ในด้านปริยัตินั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเรียนจนจำแนกได้ว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาเพราะปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยในทุกสำนักก็คือการหลงทำสมถะแล้วคิดว่ากําลังทําวิปัสนาอยู่ส่วนในด้านการปฏิบตัติจะต้องเจริญสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องเพราะปัญหาใหญ่ของนักปริยัติจานวนมากที่ลงมือปฏิบัติ ก็คือการนำความจำและความคิดมาปิดกั้นการเจริญสติเช่นพอจิตรู้อารมณ์แล้วก็มักจะหลงเข้าไปยึดหรือคิดเกี่ยวกับอารมณ์นั้นเป็นอาการเหมือนคนที่กระโดดลงไปในแม่น้ำแทนที่จะเยือนอยู่ริมฝั่งแล้วเฝ้ารู้สิ่งที่ลอยตามน้ำมาหรือเกิดอาการด่วนสรุปความรู้ขึ้นมาว่าอันนี้คืออันนี้เกิดเพราะสิ่งนี้ เกิดแล้วมีผลอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติก็ให้วางตำราไว้ก่อนที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือสภาวะจิตของผู้ปฏิบัติที่เรียนตำรามามากๆที่ผมพบในหลายสำนักกลับไปคล้ายคลึงกับผู้ที่ติดสมถะเหมือนกันคือเอาสติไปควบคุมจิตอย่างเข้มงวดบ้างหรือถูกราคะและโมหะแทรกอยู่โดยไม่รู้ทันบ้างการรู้ปริยัต ทำให้ได้แนวทางปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะไม่ต่างอะไรกับปริยัตไหนๆก็กล่าวถึงเรื่องอภิธรรมแล้วผมขอฝากข้อสังเกตประการหนึ่งว่าความรู้สึกแยกพวกและความขัดแย้งระหว่างนักปฏิบัติกับนักปริยัตก็ดีระหว่างผู้นิยมพระวินัยและพระสูตรกับพระอิธรรมก็ดีมีอยู่เสมอๆในการสนทนาทางกระดานข่าวต่างๆ ปัญหาเหล่านี้ต้องการการแก้ไขแต่แก้ไขยากเสเหลือเกินเพราะความมีอคติซึ่งกันและกันเช่นผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมคิดว่าผู้เรียนอภิธรรมดีแต่ตำราไม่ได้ปฏิบัติทั้งที่ความจรงิงสำนักปฏิบัติที่มีพื้นฐานจากอภิธรรมมีอยู่มากมายหรือผู้นิยมพระวินัยและพระสูตรเห็นว่าพระอภิธรรมเป็นของแต่งใหม่ ซึ่งก็มีข้อเท็จจริงเหมือนกันเพราะตำราอภิธรรมที่เราเล่าเรียนกันอยู่ในยุคนี้ประมวลมาจากอัทธกถาดีกาและประกณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากในขณะที่ผู้ศึกษาอภิธรรมเห็นว่านักปฏิบัติทมกรรมฐานแบบรือสีซึ่งความจริงส่วนใหญ่ก็เป็นรือีจริงๆหรือผู้ศึกษาพระวินัยและพระสูตรไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงพระวินัยและพระสูตร หรือชอบตีความเอาเองโดยอัตโนมัติทำให้พระธรรมฟั่นเฟือนเป็นต้นพื้นฐานความเข้าใจและความนิยมก็ต่างกันอยู่แล้วประจวบเข้ากับท่วงทํานองที่ปฏิบัติต่อกันยังไม่มีเมตตาคุกคามดูหมิน่นก็ยิ่งผลักให้ผู้แสวงหาสัจจะแยกพวกกันมากขึ้นสื่อความเข้าใจกันยากขึ้นผมเห็นว่าถ้าต้องการแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์กันจริง ขั้นแรกสุดควรจะปรับปรุงท่วงทํานองในการสนทนากันซึ่งเวลานี้ผมเห็นว่าผู้ศึกษาพิธ ร, รมบางท่านเริ่มปรับปรุงแล้วเช่นพูดจาด้วยความสุภาพมีเมตตาจะดียิ่งขึ้นอีกหากแจกยาช่วยย่อยด้วยคืออธิบายด้วยภาษาที่ง่ายขึ้นประการต่อมาก็คือพยายามเรียนรู้ข้อดีของกันและกัน รวมทั้งเรียนรู้จุดอ่อนของตนเองด้วยซึ่งต่างก็มีครับเพราะต่างก็ไม่ใช่พระรหันด้วยกันทั้งคู่การเรียนรู้กันที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงการนั่งเขียนกระทูโต้กันแต่ควรมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกันเอาสภาวะจริงๆในจิตใจมาคุยกันเพื่อผู้ศึกษาอภิธรรมจะได้ช่วยบอกกำนักปฏิบัติว่า สภาวะอันนี้เรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือการดาเนินจิตอย่างนี้ยังผิดพลาดเป็นแบบรูสีอยู่ส่วนนักปฏิบัติก็อาจจะช่วยผู้ศึกษาอภิธรรมได้ว่าขณะนี้จิตของคุณติดราคะและโมหะอยู่แต่ยังมองไม่ออกดังนี้เป็นต้นถ้าเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกานและกันรจริงๆช่วยเหลือซึ่งกาละการจริงๆ เราเองก็จะได้ทั้งความรู้ใหม่และได้เพื่อนใหม่ที่ดีๆเพิ่มขึ้นด้วยผมคงแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมแต่เพียงเท่านี้ละครับถ้ามีอะไรไม่สมควรก็ต้องขออภัยด้วยครับ2 6สิหตุลาคม254สาถามจะทราบได้อย่างไรคะว่าสำนักที่เราไปศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่นั้นสอนถูกทางหรือไม่ตอบ ยากครับที่จะให้ใครมาชี้ขาดว่าแนวทางหรือสำนักใดปฏิบัติถูกทางหรือผิดทางเข้าใจว่าท่านต้องการถามว่าถูกทางวิปัสสนาหรือไม่คงไม่ได้หมายถึงว่าถูกทางสมถะหรือไม่เพราะการชี้ขาดนั้นเสี่ยงต่อความขัดแย้งและเจ็บตัวเปล่าผู้ตอบจึงต้องตอบเลี่ยงๆทานองว่าแนวทางไหนก็ดีทั้งนั้นโดยวงเล็บว่า ถ้าลดกิเลสตัณหาได้และบางท่านอ้างไปถึงกรรมฐาน40ซึ่งเป็นเรื่องของสมถะก็มีทางที่ดีไม่ต้องถามใครหรอกครับหามาตวัดที่มาตรฐานมาใช้วัดด้วยตนเองดีกว่าซึ่งจากประสบการณ์ของผมผมเห็นว่าเราควรตรวจสอบการปฏิบัติด้วยปริยัติธรรมเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องสอดคล้องกับปริยัติธรรม แต่ก็ต้องระวังเรื่องการตีความปริยัติธรรมผิดด้วยความผิดพลาดของแนวทางปฏิบัติอาจจะเริ่มจากอาจารย์เองเข้าใจผิดก็มีหรืออาจารย์สอนถูกแต่ลูกศิษย์เข้าใจผิดเองก็มีผมจึงเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาพระธรรมวินยัยผู้สนใจการปฏิบัติทุกคนควรตรวจสอบทั้งแนวทางของสำนักและคำสอนของอาจารย์ของตนเอง รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติของตนเองด้วยว่าถูกต้องตรงกับปริยัติธรรมหรือไม่ในทัศนะส่วนตัวของผมเห็นว่าสำนักใดสอนวิปัสสนาด้วยการให้เพ่งบังคับกล่อมหน่วงให้จิตสงบสำนักใดสอนวิปัสสนาด้วยการคิดกระทั่งคิดถึงไตรลักษณ์หรือคิดถึงปรมัติไม่ใช่ด้วยการรู้อารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกลาง สำนักใดสอนวิปัสนาโดยไม่รู้ทันอารมณ์ปัจจุบันจริงๆสำนักใดสอนให้ใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ใช้สภาวะของจริงหรือปรมัต ธ, ธรรมเป็นอารมณ์สำนักเหล่านั้นยังไม่อยู่ในแนวทางของวิปัสนาครับ26่ธันวาคม2543รสามถามสมถะกับวิปัสนาแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ ตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติพลาดกันมากผมขอกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสมถกะกวิปัสสนาสักเล็กน้อยดังนี้ 1. สมถะใช้อินทรีย์คือสมาธิเป็นหลักส่วนวิปัสสนาใช้อินทรีย์ทั้ง5ที่ขาดไม่ได้เลยคือสัมมาสติและปัญญาหรือสัมปชัญญะซึ่งในสมถะไม่มี 2. สมถะใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนวิปัสนาใช้ปรมัต์เป็นอารมณ์ 3. สมสมถะมีการรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องเช่นลมหายใจคำบริกรรมกระสินส่วนวิปัสนาจะรู้รูปนามเป็นอารมณ์หรือจะจำแนกรูปนามออกเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้ 4. สมถะมีวิธีการคือการปรุงแต่งอาการของจิต เช่นเพ่งคิดน้อมไปบริกรรมเป็นต้นส่วนวิปัสสนาใช้วิธีมนาสิการโดยรู้ปริมติตามความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยไม่ได้จงใจใช้ความปรุงแต่งใดๆหสมถะมุ่งทาให้เกิดสมาธิที่หนักแน่นต่อเนื่องคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ส่วนวิปั ส, สนาจะมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะไปไม่สนใจทำความต่อเนื่องของสมาธิแต่เมื่อรู้รูปนามไปถึงจุดหนึ่งที่จิตพอแล้วจิตจะรวมเข้ามาเป็นอ ป, ปนาสมาธิโดยอัตโนมัติได้เองโดยรวมเข้าได้ถึงรูปฌานที่ห้าตลอดถึงอรูปฌานซึ่งมีองค์ฌานเหมือนรูปฌานที่ห้าคืออุเบกขากับเอกคตา หผลของสมถะคือความสงบสุขของจิตส่วนผลของวิปัสนาคือรู้ทุกข์และเกิดปัญญาเห็นไตร ล, ลักษณ์เผลได้ของสมถะคือฌาน8และอภิญญาหส่วนผลได้ของวิปัสนาคือวิปัสนาญาณมักผลนิพพาน 8. สมถะพาจิตให้ถึงความหลุดพ้นชั่วขณะด้วยการข่มจิตส่วนวิปัสนา พาให้ถึงความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดคือกิเลสตัณหาไม่กลับกำเริบขึ้นอีก 9. วิธีทำสมถะมีนับไม่ถ้วนแต่ย่อลงเป็นตัวอย่างในกรรมฐานส0สส่วนวิปัสสนามีทางสายเดียวคือการเจริญสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องตามหลักของสติปัฐานธรรมนั้นเรียนโดยไม่ลงมือทาก็ได้ประโยชน์น้อยครับแม้จะจบถึงมาหาปัฏฐาน ถ้ากเกลยียดหยาบหยาบสักตัวก็ไม่เคยเห็นก็ไม่นับว่าเป็นชาวพุทธที่ได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่าที่ควรจะได้หรอกครับสําหรับเรื่องสมถะและวิปัสสนานั้นไม่เพียงแต่ต้องรู้อารมณ์ให้ถูกเท่านั้นสภาวะของจิตที่จะเจริญวิปัสสนาก็ต้องถูกต้องด้วยอย่างจิตที่ประกอบด้วยญาณก็อย่างหนึ่งจิตที่ไม่ประกอบด้วยญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่นการรู้ปรมัตทนั้นสัตว์ที่มีตาเช่นแมวนกเป็ดไก่ก็สามารถรู้รูปอันเป็นปรมัตทได้ตามธรรมชาติคือเห็นสีที่ตัดกันแต่เขาไม่มีสติและยางจะรู้ ร, รูปรมัตทนั้นได้จิตจึงไปติดข้องอยู่เพียงการรู้บัญญัติคือเห็นคนเห็นต้นไม้เห็นภูเขาหรืออย่างบางคนแพ่งกระสินไฟ ถ้าเห็นไฟเป็นดวงไฟก็ยังเป็นบัญญัติเพราะธาตุไฟนั้นรู้ได้ด้วยกายไม่ใช่ด้วยตาแต่ถ้านั่งใกล้กองไฟหรือนั่งกลางแดดแล้วรู้สึกร้อนอันนี้จึงเป็นการรู้ปรมัาทของธาตุไฟคือความร้อนแต่การรู้ความร้อนก็ไม่ใช่กระสินไฟแต่ถ้ามองดวงไฟแล้วเห็นสีที่ตัดกันตรงหน้าอย่างนี้ก็เป็นการรูรปรมาท แต่ถ้าขณะนั้นสติจับเข้าไปที่ดวงไฟแล้วจิตไม่มีสัมมาสมมาทิคือไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่ถล่มเข้าไปยึดไฟแล้วกำหนดนิมิตไฟไว้ด้วยใจและจิตไม่ประกอบด้วยญาณไม่สามารถสักว่าเห็นรูปตรงหน้าโดยความเป็นรูปและมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นการเจริญวิปัสสนาจริงๆ บรรดากสินไฟจะเดินในแนวทางอย่างหลังนี้ครับแม้กสินอย่างอื่นก็ดําเนินด้วยลักษณะเดียวกันคืออาศัยรู้รูปด้วยตาแล้วกําหนดจํารูปนั้นไว้ด้วยใจจึงสามารถกําหนดย่อขยายรูปนั้นได้โดยใจในขั้นปฏิภาคานิมิต ด, ดังนั้นตําราท่านจึงจัดเอากสินไว้เป็นสมถะครับและอารมณ์ที่ใช้ก็คือบัญญัติ เพราะไม่ใช่รูปที่เห็นด้วยตาโดยตลอดแต่เป็นรูปที่จำไว้ด้วยใจสำหรับแนวทางปฏิบัติตามนายัยยะพระสูตรกับพระพิธรรมนั้นไม่ได้ขัดแยง้งแต่สืบเนื่องกันคือวิปัสสนาตามนายัยยะพระสูตรนั้นยังมีการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของบุคคลตัวตนสัตว์เราเขาเมื่อทำมากเข้าสติปัญญากล้าแข็งขึ้น ก็จะสามารถดำเนินวิปัสสนาตามนัยยะอภิธรรมได้คือสามารถรู้ปรมัติธรรมอันไม่มีบุคคลตัวตนสัตว์เราเขาและสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้โดยไม่ต้องคิดพิจารณาแต่อย่างใด15มกราคม2544จากกระทูลานธรรมด e t เน